ทัวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสันีสนทนาดําเนินรายการโดยสันสันินาพงศ์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรอเอสเซแล้วก็มีพระคุณเจ้าคือพระพบูลอภิปุนโนนะคะจากวัดป่าดอนายโซดอนธานีจะเป็นผู้ที่มาให้ธรรมะกับพวกเราหรือว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดคือเอาคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้อย่างยิ่งนะ น, นะคะมาทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่ พรุทเจ้านั้นได้ตรัสสอนไว้อย่างเข้าถึงได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่ายากเกินไปเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ซึ่งศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยนะคะมาให้ความรู้เรารายการของเราค่ะเช่นเคยเราจะมีการให้ท่านทั้งหลายได้ทํากุศลสูงสุดกุศลยิ่งกว่าการรักษาศีลได้ซ้ำนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นต้นของรายการตั้งใจนะคะ เพราะกำลังจะพาไปพบกับพระมหาภัยบุตรอภิปุณโญเดี๋ยวนี้แล้วค่ะกล่าวน้องสการกันทั้งคะเชิพานในการมาพบกันแต่ละครั้งเราก็เริ่มต้นด้วยกันที่เราจะมาปฏิบัติกันโดยให้เรามาตั้งสติเอาไว้ระลึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจนั้นเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงอย่างหนึ่งแต่ศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็คืออานาปานาสติอานาปานะหมายถึงลมหายใจสติหมายถึงการระลึกได้เรามาระลึกคือการนึกถึง ระลึกถึงมาคิดถึงใ แ, แทนที่เราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามา่อาคิดถึงระลึกถึงเรื่องของลมหายใจเราด้วยการสังเกตลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมพอจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเราได้ที่ไหน<ๆ>ก็เอาจิตของเราตั้งไปที่ตรงนั้นจิตที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่อย่างนี้นั่นคือจิตที่มีสติจิตที่มีสติอย่างนี้หละเป็นผู้ที่ไม่เหื่อนางจากธรรมะ เป็นผู้ที่สามารถตั้งธรรมะไว้ในใจได้ในขณะที่เรามีสติอยู่ตรงนี้แล้วก็มาฟังเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แลรร้วก็ศีลนะธรรม4อย่างนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีความเบาใจมีความสบายใจได้พระเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของความมีศรัทธาในพระพุทธเาความมีศรัทธาในพระธรรมความมีศรัทธาในพระสงฆ์และความมีศีลเอาไว้อย่างนี้ว่าพิสุทธ์ทั้งหลาย เ, เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นไม่หว่นไหวในพระพบูชาว่าประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจาแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์และเต่านั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า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 ทูสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงที่ควรแก่สักระที่เขานามาบูชาเป็นสงที่ควรแก่สักระที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงที่ควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปพึ่งจะทำอัญเชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าและเท่านั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ในลักษณะเป็นที่ปอใจของพระอริยเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ป้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินอยู่ชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิองค์ประกอบ4ประการเหล่านี้แหละคือองค์ประกอบที่จะทำให้เป็นผู้ที่ถึงกระแสแในขณะที่เรามีสติระลึกถึง ลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้การปฏิบัติของเราตรงนี้ก็คือเรื่องของสงค์คือสังฆะการที่เราส่งสติไว้ในใจคือธรรมะเวลาที่เรามารู้แจ้งถึงความรู้ใดความรู้หนึ่งนั่นก็คือพุท ธ, ธะในขณะที่เรามีสติอยู่อย่างนี้ศีลเราก็มีด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราเจริญอนานปนานัสเตก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ติดต่อเจริญบานสาธุค่ะท่านอาจาร์ค่ะเอ่อกันดิฉันก็เข้าใจว่า การที่พระพุทธองค์หรือว่าคำสอนของขศาสดาที่ได้พบเจอทำให้เข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ย ม, มีอนิสงฆ์มากกว่าการรักษาศีล น, นั่นเป็นเพราะว่าอนิสง์ของศีล น, นั้นรวมอยู่ภายในนั้นเรียบร้อยแล้วพ็ฟังตามพระสูตรนี้นะคะใช่ใช่คือศีลเป็นเรื่องที่ที่เกิดในใจนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในใจแล้วมันก็ใจนี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมวาจาควบคุมกายอีกทีหนึ่งค่ะ ดังนั้นก็น่าที่จะทำให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้รักศรัทธานะะในพระพุทธองค์แล้วก็ได้น้อมนำเอาคุณสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจซึ่งในส่วนสงฆ์ท่านบอกคือการปฏิบัติอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีศีลด้วยเท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในกระแส กระแสอะไรอะไ่างเงีกระแสที่จะไปสู่นิพพานได้นะเหมือน<ร> อ, ยอย่างแม่น้ <สะ S 1> ําเจ้าพระยาเนี่ยอตรงกลางแม่น้ํามันจะมีกระแสน้ำนะํำที่มันเร็วกว่าตรงขอบขอบของแม่น้ําริมริมริมฝัมม่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่คนเขาเรือเขาอยู่ตรงกลางแม่น้ําเนี่ยอยู่ตรงกระแสแม่น้ําเนี่ยเขาไม่ต้องพายมากก็คือเกาะไปตามกระแสเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่เป็นผู้ที่ถึงกระแสเนี่ยอยู่ในกระแสก็คือคุณต้องมีคุณธรรมสีอย่างนี้ค่ะแล้วก็ หมายความว่าจะให้เรารู้สึกได้ว่าเบาสบายง่ายขึ้นในการที่จะก้าวล่วงพ้นหรือว่าหลุดจากความทุกข์ต่างๆเป็นลำดับขั้นตอนไปไม่ได้หมายความว่าเราังอยู่ในที่ที่เปียก <laughs> เพราะว่าตกกระแสไม่เหมือนกระแสน้ำอย่างนี้อีกประการหนึ่งที่เาาต้องตําแหน่เข้าใจกคื อ, อคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พูดเมสสกุลเนี่ยคือความหมายตัวตัวไปที่เราจะเข้าใจ นะพระพุทธคือหมายถึงการตรัสรู้ในกะองพระพุทธเจ้าคือบางคนเข้าใจแค่ว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้านะอันนี้เราต้องรงพูดถึงการตรัสรู้ตรงนี้นะี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นนะี่คือความหมายเบือเ้องลึกลงไปนะส่วนพระธรรมพระธรรมนี่ไม่ใช่ว่าคำพีท์ที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกหรือหนังสืออันนั้นเราโยกไปก่อนนะเป็นภายนอกแตก่เรากําลังพูดถึงธรรมะคือสิ่งที่พระเจ้าประกาศเอาไว้เป็นความรู้ความเรียนที่พระเจ้าบอกเอาไว้ นะั่นคือความรู้ที่เราจะมาศึกษาทําให้เกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่2คืออยู่ในใจเรานะธรรมะต้องอยู่ในใจเราแล้วข้อนะที่3คือสงนี่บางคนก็จะเข้าใจไปว่าพวกที่โกนผมผมเหลืองนะแต่สงในที่นี้พระเช่าพูดถึงการปฏิบัติไปชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปฏิบัติคุณมีทรงอยู่ในใจนะคุณเอ า, าอะไรมาปฏิบัติคุณมีเอาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะก็อยู่ในใจและถ้าคุณปฏิบัติแล้วเอาธรรมะที่พระเช่าปฏิบัติแล้วเกิดความรู้ขึ้น แจ่มแจ้งขึ้นเป็นการตรัสรู้ในขั้นใหนกันหนึ่งเนี่ยอันนั้นก็คือพุท ธ, ธะอยู่ในใจอยู่ในใจเราหมดเลยสามอย่างนี้ อ, อสามารถปรากฏขึ้นได้นในตัวของเราเองเพียงแต่เราเริ่มต้นที่จะปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามที่พระศาสด า, า, าสอนไว้ถูกต้องนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยเราก็อาจจะสถาปนาตัวเองได้ไหมคะ <laughs> ขอประทานโทษนะค ะ, <c oughs> ะมีความเป็นเป็นรัตนาตรัยอะคะ่ะ ถูกต้ อ, องใช่ใช่เพราะพระธรรมประสงค์เพราะว่าอย่างอย่างคนที่เข้าถึงกระแสรหรือว่าบรรลุตามขั้นสูงอ่ะเอาบรรลุธรรมขั้นสูงเลยะเขาจะมีความมั่นใจว่าพระพุทธประธรมประสงค์นี้คืออย่างเดียวกันค่ะะอย่างเดียวกันแล้วก็อยู่ในใจของเราด้วยค่ะดิฉันกําลังจะกล่าวเรียนถามท่านเรื่องคิดว่าไม่ทราบที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนี่เป็นคําตอบหรือเปล่าแต่พอทีด่ดูข่าวนะคะออืเมื่อก่อนดูก็ไม่เคยเกิดแง่มุมนี้ใน ใ, นใจ วันสำคัญอย่างวิสาขาบูชาก็าจะเกิดกิจกรรมหลายอย่างใช่ไหคะทีนี้พอทำกันบ่อยๆทุกคนก็พยายามสร้างสารรค์ให้มีความน่าสนใจที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยมาเที่ยวงานให้มากขึ้น อ, อย่างปีนี้ดิฉันเห็นมีการอัญเชิญรูปจําลองนะคะของพระพุทธรูปที่มีการไปประดิษฐานเอาไว้ในต่างประเทศเอามารวมเอาไว้ เพื่อให้คนไปกราบไหว้บูชาก็ถ่ายรูปกันใหญ่แล้วนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่านิยมในการที่คิดว่าเลขเก้ามีมงคลคนไทยก็คิดว่าไหว้พระเก้าวัดนี่อมงคลจะเกิดอย่างแรงกล้าก็จําลองพระเก้าวัดดังๆเป็นพระพุทธรูปเนะะี่ยค่ะให้คนไปไหว้เน้นก็ใหญ่จะกราบเรียนถามท่านว่าในลักษณะอย่างนี้นะคะคนไปแล้ววันทีด้านด้นมาค่ะก็อยากให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่แล้วได้ในได้อย่างไรกันอ๋อโดยบอลอย่างเราไปเห็นพระพุทธรูปก็ตามแต่จะองค์จริงองค์งงจำลองก็แล้วแต่นี่ยคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคือองค์จำลองเนีเพื่อที่จะอะไรเนะีเพื่อที่จะให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านีระลึกถึงอะไรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อ่อทองเหลืองหรือว่าอ่อปูนอิฐหินนี่ก็คนละเรื่องไปแล้วแต่ที่ระลึกถึงเนี่ยคือความรู้ของท่านนี่ยคือการตรัสรู้ของท่าน นีเพราะบทปัญญาชนะตรงนี้ผู้ไปชัดเจนว่าเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการตรัสรู้ของพระองค์คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนตาตาเราเห็นเรากราบลงมับมับสามครั้งเนี่ยใจคุณนะต้องนึกถึงการตรัสรู้ตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือสําคัญนะจะเป็นองค์จริงองค์จําลองนะจะอยู่ที่เดียวกันหรือคุณต้องนั่งด้านด้ น, ด น, ดนรถไปนะถ้าในขณะนั้นจิตใจคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีพุทธานุสติอยู่ในใจ สติตรงนี้รักษาจิตรเราได้แน่นอนค่ะแต่จากประสบการณ์ตัวเองก็เคยเป็นผู้ที่ตระเวนไหว้พระมาด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยการคิดถึงการปรัสรู้ของพระพุทธองค์มาเกิดในระยะหลังมักจะคิดว่าพระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากช่วยลูกช้างด้วยเถอะขอโน่นขอนี่อยู่เสมอค่ะอืมือใช่อันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าคาสอนพพุทเจ้าเนี่ย อ่าเป็นไปเพื่อให้พ้นทุกข์ในในลักษณะที่เราต้องแก้ที่เหตุอ๋อท่านก็เลยจะบอกว่าต้องต้องแก้ที่เหตุใช่เพราะฉะนัะ้นเราจะเอาเหตุออกได้ก็คือเอาตัณหาออกจากใจนะซึ่งใจนี่คือใจของเราเราจะตัณหาได้ไงกูก็ต้องเดินตามมักแปดนี่พระเจ้าจะสอนองนี้เป็นประจำค่ะเพราะนั้นการที่เราจะทํามักแปให้เกิดขึ้นได้ใครเป็นคนําก็ต้องตัวเราทำนะเพราะนั้นพระเจ้าก็จึงยืนยันว่าันต้องพึ่งตนพึ่งทํานะอ่าถ้า ถ้าจะพึ่งเราเนี่ยพึ่งพึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องพึ่งตนพึ่งธรรมจึงเท่ากับว่าทุกคนที่ไปกราบไหว้พระแล้วจะได้ประโยชน์เนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องด้วยสิคะคนที่ไปกราบไหว้พระุทธเจ้าเนี่ยอาจจะได้ได้กําลังใจนะคุณโยมเติ๋วค่ะนะกำลังใจจากการที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าแม่พระองค์นี้ก็ทําความสิ้นทุกขให้เกิดขึ้นไะด้นะตอนแรกๆเนี่ยเราแบบไปไหว้ไปกราบไหว้เนี่ยอาจจะมีความกลัวอยู่แบบกลัวหมายก็ว่าเรายังไม่มั่นใจใช่ไหม ค่ะคุณก็ไหวไปกราบไป ก, ก็อาจจะเริ่มมีการที่ระลึกถึงพระเจ้ามากขึ้ น, นเข้าใจสิ่งที่พระสอนมากขึ้นล ก, ก็จะทําให้เกิดความมั่นใจนมั่นใจแล้วก็เอามาทำได้ไงค่ะงั้นจึงเท่ากับผู้ที่ไปไหว้พระนี่อย่างน้อยต้องมีศรัทธาแน่นอนแล้วใช่ไหมคะถึงได้ไปไหว้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่รูปเหมือนเพื่อที่จะเตือนใจให้เราระลึกถึงในสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของพระพุทธองค์ นั่นคือการตรัสรูรส้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ท่านจะไปไหว้วอนอะไรก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าหรอกแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องแก้ที่เหตุถ้ามีปัญหาแล้วก็พาไปหาผลโดยอริยมรรคเมืองแปดใช่ใที<ค>นี้คนคนที่ไปไหว้พระแล้วก็แบบไปกราไปไหว้จุดทูบจุดเตี้ยนหรือไม่จุดอะไรก็แต่เนี่ย<ค>เราจะดูได้ว่าเขามีศรัทธาจริงหรือไม่เนี่ยอต้องดูที่เขามีศีลด้วยนะเพราะว่าศีนเนี่ย จะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เฮ้ยคุณมีความมั่นใจระดับหนึ่งคุณมีความมั่นใจระดับหนึ่งคนที่มั่นใจในระดับหนึ่งเขาจะรักษาศีลได้ดีทีเดียวอันนี้เห็นได้แน่นอนค่ะมั่นใจแล้วจะรักษาศีลได้ท่านคะมันก็มาถึงจุดที่ดิฉันสังเกตนะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคาสอนของพระศาสดา พ, พอตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่า ในขณะที่มีความรู้กันอย่างเนี้ยแล้วก็ยกออกมาใช้ด้วยนะคะอืมแต่เราก็ยังมองเห็นว่าใช้ก็เป็นคนละทางสมมุติว่าคนทะเลาะกันเนี่ยมีสองสองฝ่ายทะเลาะกันละอ้างพระพุทธเจ้าอ้างคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งคู่ค่ะแต่ทะเลาะกันอยู่หน้ากค่ะก็เหมือนกับภิกษุกรุงโกลสัมพีนะสมัยก่อนแต่และท่านแต่ละคนก็มีความรู้ความเรียนบวช ด, ด้วยบวชนี่ก็มีสตานแน่แล้วเนาะแล้วก็แต่ทะเลาะกันทะเลาะกัน ก็ไม่ถูกล่ะผู้รู้เจ้าก็ไม่ไม่อยากให้ทะเลาะกันให้มีความสมัครสมานสามขีกันนะอะไรที่พอจะผ่อนปลงกันได้ก็ค่อยยอมกันไปผ่อนปลนกันไปนแก้กันไปค่ะที่ขึ้นกาลังจะกล่าวเปลียนถามท่านว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคือศรัทธาแบบเดียวกันน่ะพระพุทธเจ้าก็สอนแบบเดียวกันใช่ไหมคะแต่ลงรอยกันไม่ได้เนี่ยนั่นเป็นเพราะเหตุใดกันนะค่ะถ้าอธิบายทางธรรมคนที่ลงรอยกันไม่ได้ก็เพราะมีการปูกเวีกันนะอันนี้แน่นอนว่าเขาจะต้อง คิดพยาบาทหรือคิดไม่เบียดเบีย น, นอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะต่อให้มีศรัทธายัางไงอ่ะก็มันอาจจะไม่ผิดศีลนะศีลก็อาจจะรักษาได้อยู่แต่เรากำลังพูดถึงกุณฑธรรมบูรเดินนะที่มีการพยาบาทเบียดเบีย น, นตรงนี้แต่ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากศีลเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะและคําว่าผูกเวรของท่านเนี่ยผูกเวรปัจจุบันหรือว่าผูกเวรกันมาแล้วก่อนหนะ้าหรือกําลังจะผูกเวรต่อไปในอนาคตคะได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่า คนที่จะผูกเวรกันเนี่ยมาจากอดีตก็ได้บางคนเราเห็นหน้าหมอเนี่ยแหมรู้สึกไม่ชอบใจมาเลยตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกก็อาจจะมีการผูกเวรกันมาในอดีตชาติหรือเรื่องก่อนๆในปัจจุบันก็เกิดขึ้นได้อนาคตนี่ก็มีถ้ามันอยู่ที่จิตใจว่าคุณมีการพยาบาทเบียดเบียนไหมตรงนี้สําหรับเรื่องปัจจุบันกับเรื่องอนาคตดิฉันยังพอเข้าใจง่ายนะคะเพราะรู้ว่าปัจจุบันเราเห็นเห็น อนาคตเนี่ยเราก็คิดไปข้างหน้าได้ว่าถ้าทําแบบนี้ผลมันผูกเวนแน่อแต่สําหรับอดีตเนี่ยสิคะจะน่าใจได้อย่างไรว่าการผูกเวนแต่อดีตนั้นมีจริงสมมติสมมุติไม่มีจริงหรือสมมุติมีจริงก็ตามแล <คะ S 2> ้จะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องปล่อยวางเราต้องไม่ให้มีการผูกเวนไงอันนี้คือที่พุทเจ้าสอนว่าต้องไม่ให้มีการผูกเวนค่ะประเด็นดีท่านอยากกลับไปถามว่าพระพุทธองค์เคยตรัสสอนทําให้เรารู้หรือไงคะ ว่าการผูกเวรในอดีตเนี่ยมีเพราะว่าถ้าพระพุทธองตรัสเนี่ยดิฉันคิดว่าชาวพุทธก็จะเชื่อได้ง่ายนะคะเพราะว่าศรัทธาท่านเป็นทุนอยู่แล้วผู้เช่าพูดถึงผัสสะที่เกิดขึ้นน ะ, ะว่าอย่างคนที่มีความรักกันมีเป็นสา ม, มีภรรยากันอย่างเงี้ยมาในอดีตชาติในชาติใกล้ๆเนี่ยมาเจอกันในชาตินี้ก็จะมีความรักความพอใจเห็นอกเห็นใจกันมาก่อนแน่นอน มันอยู่ที่ผัสสะที่ใกล้ๆในชาติปัจจุบันเกลียก็เหมือนกันเพราะฉั้นเกรีก็ต้องเป็นลักษณะเดียวกันอาจะมีสิ่งที่แบบทําอะไรกันไม่ดีกันมาก่อนละในชาติที่ใกล้ๆนี้ทําให้มีความรู้สึกที่แบบไม่พอใจกันอันนี้เกิดขึ้นได้นะซึ่งความรู้สึกตรงรักก็ตามตรงเกรีก็ตามเนี่ยคุณก็จะต้องอปล่อยวางนะคุณต้องให้มันดับไปให้ได้ค่ะก็เหมือนกับว่าเรื่องผัสสะนั้นอ่าคือเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ ของเราทุกคนถ้าจะไปกระทบ ก, กระทั่งจนทําให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆนาน า, นาเป็นเรื่องที่มีมาแต่อดีตก็ได้ถูกต้องคือคือคนเราเนี่ยมันมีภาษามามาตลอดที่เราเกิดมาตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าก่อนๆนั้นเนี้เรามีภาษาแน่นอนพนะุณผู้มติเราเราเกิดมาหลายนานแล้วเป็นหลายกลับหลายการแล้วนะแต่เราก็จะต้องบนเวียนต่อไปถ้าใจิตใจเรายังมีมีตัณหามีวิชาตรงนี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดภาษาห น, นึ่ง ค่ ะ, ะดังนั้นฟังดูเหมือนกับว่าเจ้าผัดสะเป็นตัวร้ายทําให้เป็นตัวก่อให้เกิดเวรอ่าถูกต้องก่อให้เกิดได้ใช่ค่ะที่ทําให้อ่าสมมุติว่ามีคนสองฝ่ายอย่างนี้ก็คือว่าจึงทําให้เมื่อต้องอยู่ร่วมกันหรือมาพบปะจะเจอกันแล้วมันไม่สบายใจ ม, มันมีเรื่องก่อให้เกิดความอึดอัดอ ม, มีความทุกข์ซึ่งกันและกันใช่ เรื่องของภาษาเนี่ยเป็นแดนเกิดของหลายอย่างเป็นแดนเกิดของเวทนาก็เป็นภาษาเป็นแดนเกิดของกรรมก็เป็นเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยจะเป็นแดนเกิดของไอ้พวกเนี้ยเป็นแดนเกิดของกิเลส ด, ด้วยอะไรด้วยก็ภาษาตรงนี้หมดค่ะฟังมาอย่างนี้แล้วน่ากลัวสําหรับการที่จะปล่อยให้เกิดภาษาแล้วทําให้มีความทุกข์ความอึดอัดความรังเกียจความขยะแขยงความรู้สึกว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะทําในวันนี้ใช่พระเจ้าจึงแนะนํำยังไงตรงนี้ว่ากระบวนการที่เราจะระวังผัสสะของเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปควักตาออกาปาทุยมันหายไปยอะไรเงี้ยเพราะผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปทําลายตรงนั้นแต่สิ่งที่คุณต้องต้องรักษาก็คือสติต้องมีสติขึ้นเอาไวนะ้เพราะตรงนี้เป็นประตู6ประตูที่จะเข้าสู่ใจของเราแตนะมันอะไรมันจะเข้ามาล่ะ อกุศลก็เข้าได้กุศลก็เข้าได้อ้าวแล้วทําไงดีไม่ให้อกุศลเราทเข้าคุณต้องมีนายประตูที่เฝ้าเอาไว้นะนายประตูที่เฝ้าไว้ก็คือสตินี่เองเนีสติเนี่ยจะเป็นนายทวารที่คอยเฝ้าภาษาไว้นะเฝ้าอะไรไว้เฝ้าไม่ให้อกุศลเรามันเข้ามานะเฝ้าไว้เปิดทางให้กุศลเรามันเข้ามานี่เป็นหน้าที่ของสติค่ะแองกี้คิดว่าในการดําเนินชีวิตของเราๆท่านเนี่ย เราจะมีโจทย์ในลักษณะที่จะให้เราใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ท่านพบูลณ์ได้นำเอาคำสอนภาษาสดามากล่าวในเยอะอยังก็คุยกับเพื่อนๆหมู่ฝูงอ่ะนะคะบา น, นทีเราฟังเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวงเขาเนี่ยโอ้โห <laughs> มันฉูดฉาดยิ่งกว่าในละครดังๆซะอีกก็ oh. มีความรู้สึกว่าคิดตอบเอ๊ะทาไมมนุษย์เราต้องต้องต้องมาเผชิญ กับไอความไม่พึงพอใจกับอะไรที่เราจําเป็นต้องอยู่แล้วก็ต้องอดทนต่อไปถ้าใช้คําอธิบายเรื่องผัสสะนี้คิดว่าได้ทั้งเข้าใจว่าทําไมเป็นเช่นนี้แล้วก็หาทางออกได้ด้วยว่าจะไม่ให้มันเป็นเช่นนี้ต่อไปได้ยังไงพระเจ้าก็แนะนําว่าจะอยู่กับคนดีก็ตามจะอยู่คนไม่ดีก็ตามคนที่รักก็ตามคนที่เราเกรี ก, ก็ตามเนี่ยคุณต้องมีสติคอยรักษาตลอดต้องมีตลอดค่ ะ, คะมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าคงจะไม่ดีกว่าไม่ทราบ แล้วกมมม็มันไม่ยากเกินไปเนี่ยถ้าเราจะพูดอย่างงี้ดีกว่าน ะ, คะอะคือถ้าเราทำที่ที่คุณยนติ บ, บอกว่าไม่ง่ายเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องทําให้ถูกนะถ้าเราทําให้ถูกเนี่ยมันไม่ยากเกินไปนะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ที่ที่ฉันพูดคาว่าไม่ง่ายนี่ยังไงรู้ไหมคะคือเกรงว่าคนฟังจะฟังดิฉันแล้วรู้สึกมันไส้ไม่ง่ายตัวเองทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่า อยู่บโลกใบนี้เจอตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจกระทบกระทั่งเกิดผัด ส, สะเนี่ยแน่นอนค่ะบางอย่างมันก็ไม่ได้ปุ๊บปั๊บทำได้อืก็ถือว่าไม่ง่ายแต่ว่าอย่างที่ท่านเพรบูลบอกก็ไม่ยากใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าเราทําถูกอย่างตั้งแต่เราฝึกมาตอนต้นรายการเนี่ยให้มีสติในลมหายใจแล้วนะเราทําบ่อยทําค่อยๆทําไปอันนี้มันเป็นกระบวนการนะเป็นทักษะที่เราสามารถทําให้เกิดกันได้นั่นแหละค่ ะ, ะท่านเหมือนกับจะกล่าวว่าเพียงแค่ ทำในสิ่งที่ตอนต้นรายการสอนนั้นจะช่วยให้เรามีสติได้ในทุกเรื่องเรืออ่องยงไงคะถูกต้องถูกต้องนะคนที่ฝึกชํานาญแล้วนะคนที่ฝึกชํานาญแล้วเนี่ยเขาจะเห็นลมหายใจอยู่ทั้งวันเลยนะอย่างครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยท่านจะเดินบินตบาตฉันอาหารกุยกระยาดโยมนีนก็จะเห็นลมหายใจอยู่ตลอดนะฝึกได้ทําได้เป็นทักษะอย่างหนึง่งค่ะออท่านใช้คําว่าเห็นเนี่ยดิฉันเกรงคนฟังจะ ไม่เข้าใจว่าเห็นได้ยังไงระลึกถึงลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะคะคือคือการรู้สึกได้ถึงลมหายใจใช่ใช่ทุกต้องค์ค่ะก็เป็นเครื่องยืนยันจากท่านเพบูนซึ่งดิฉันว่าท่านเองก็ขอประท่านโทษนะคะอาจจะจัดอยู่ในท่านที่ได้รู้สึกได้ถึงลมหายใจเป็นประจำเพราะว่าท่านฝึกปฏิบัติบ่อยต้อนั่งคนอื่นด้วยเยอะแยะก่อนจะจบรายการอยากกลับไปถามนิดนึงท่านไปใต้มาจังหวัดอะไรนะคะ นักครศสีธรรมราชอำเภอปากพนังอ๋อไปปากพนังใช่ไปแสดงธรรมหรือไงครับท่านอ่าก็ไปช่วยศาสตธมิกที่นู่นนะคือพระที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยจัดคอร์สนะพาญาติโยมนั่งปฏิบัติธรรมแสดงธรรมประมาณสักสามสี่วันอ๋อค่ะแม้ท่านมากไกลนะคะจากอุดรแล้วเป็นยังไงบ้างคับท่านคะคนที่นั่นโอก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีนะทุกท่านก็มีความศรัทธาในพระเจ้า นั่งกันสมาธิกันเป็นเรื่องบันลาวแล้วก็ธรรมะอย่างเช่นพุทธพจน์เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังรเราพระสูตรต่างๆไปให้ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็มีคํำถามมีความสนใจกันมากทีเดียว อ, อ๋อค่ะนะคะกะ็เป็นที่โชคดีของคนที่ปากพนังไปใช่ไหก็ต้องถือว่าพวกเราก็โชคดีเหมือนกันนะครับเพราะว่านั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งฟังวิทยุได้เราได้ฟังพระสูตรด้วย เราได้มีพระอาจารย์เผยบุญอ่ะพีปุณโณเนี่ยนะคะซึ่งปกติท่านไม่ได้ออกไปไหนจะอยู่แต่วัดป่าดอนไฮโซอุดรธา น, นีเพราะว่าที่นั่นก็มีคอร์สเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็สถานที่ก็เหมาะสมอย่างยิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมหมดสําหรับการที่จะให้ทุกคนไปฝึกปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอให้ช่วยโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะเฉยพาค่ะกราบน้มสักการขอบพระคุณท่านพผยบุญเอาไว้เป็นอย่างยิ่งณนะโอกาสนี้ค่ะกราบน้มักการค่ะเฉยพาน ท่านังที่ครบ้าและนั่นก็คือพระมาหาภัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนะคะวันนี้ท่านก็ได้มาให้ธรรมะกับเราว่าเราเองเป็นพุทธธรรมะสังขะได้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระศ า, าสดาแล้วก็ได้เห็นปัญญาคือการรู้แจ้งด้วยกับมีศีลและศีลก็ศีลห้าปกติทั่ ว, วไปนี่ะคะ่ะเราจะมาพบกับท่านเพื่อที่จะ ให้คำสอนของพระศ า, าสดานั้นมาจำหลักอยู่ในจิตใจของเราประกอบกับความมั่นใจในการที่เราจะฝึกปฏิบัติเราจะได้รู้นะคะว่าอแนวทางนี้แหละพระพุทธองค์สอนเพราะบางคนเนี่ยนะคะเลี้ยงฟังเพื่อนไปศึกษาปฏิบททัติธรรมเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดแบบที่เป็นพุทธพจน์แต่ว่าพระอาจารย์ท่านทั้งหลายที่สอนมาส่วนใหญ่ก็จะเอามา เเรียกว่าอะไรคะแอพพลายว่ารู้ว่าอ๋อมาจากที่นั่นที่นี่นะคะแต่ถ้าถ้าเรามีความรู้โดยตรงอย่างนี้เราก็จะได้เปรียบคนอื่นคะ่ะแล้วก็เป็นความมั่นใจในการที่เราจะเดินทางสู่การได้วิมุตติหลุดพ้นด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะติดตามรับฟังรายการสันสนีสนทนาโดยดิฉันสันสินีนาคพงศ์ทางสถานีวิทยุ f m ฟสทรอแห่งนี้กันได้ใหม่ ตีห้าถึงีห้าครึ่งวันต่อไปนะคะผู้ทวัสดีค่ะ